ถ้าเป็นไปได้ตอนนี้ปิดเครื่องสักพักก่อนเพราะจะได้ไม่มารบกวนทั้งผู้ผู้ฟังและผู้พูดตอนนี้หยุดรับฟังกระแสทางโลกแล้วมารับฟังกระแสทางธรรม กระแสทางโลกมันทำให้ใจร้อนทำให้ใจวุ่นวายแต่กระแสทธรรมจะทำให้ใจสงบจะทำให้ใจเย็นการที่จะเอากระแสธรรมเข้าสู่ใจได้จำเป็นจะต้องไม่มีเสียงต่างๆมารบกวนเพราะเสียงต่างๆนี่ก็เป็นเหมือนกับเวลาที่เรา เปิดวิทยุแล้วมีคลื่นต่างๆแทรกเข้ามาสิ่งที่เราอยากจะฟังก็จะฟังไม่ชัดเพราะมีเสียงต่างๆแทรกเข้ามาทําให้การฟังไม่มีอรรถรสฟังแล้วไม่เป็นสุขฟังแล้วลาคาญหูลาคาญใจเดยจะไม่มี ความตั้งใจที่จะฟังพอไม่ตั้งใจฟังแล้วการฟังก็จะล้มล้มเหลวไปจะไม่เกิดผลผลก็คือความรู้ที่พึงจะได้รับก็จะไม่ได้รับความสงบที่พึงจะได้รับก็จะไม่ได้รับก็เหมือนกับ นั่งเสียเวลาไปเปล่ า, าช่วยอย่านั่งดีกว่าช่วยอย่าฟังดีกว่าถ้าฟังแล้วฟังไม่รู้เรื่องดังนั้นเวลาเราไปที่ไหนที่มีการพูดในการฟังเราควรจะปิดเครื่องม้เครื่องมือต่างๆที่อาจจะส่งเสียงดังขึ้นมา แล้วก็จะไปทำลายบรรยากาศของการพูดของการฟังไปทำลายประโยชน์ของผู้ที่พึงจะได้รับประโยชน์เพราะการฟังโดยเฉพาะฟังเรื่องราวของพระพุทธศาสนานี่เป็นความสำคัญอย่างมากต่อชีวิตจิตใจของพวกเรา จิตใจของพวกเรานี่เป็นเหมือนผู้หลงทางอยู่ในป่าใหญ่เราหาทางออกจากป่าใหญ่นี้มาเป็นเวลาอันยาวนานแต่เราก็ยังไม่เคยหาทางออกได้เพราะเราไม่รู้จักทางเราคิดว่าทางออกอยู่ทางนั้นพอเราไปมันก็แทนที่จะออกมันกลับเข้าลึกเข้าไปพอไปได้สักพัก พอออกไม่ได้ก็ลองอีกทางอีกทางนึงก็ไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าเราไม่รู้จักทางหลงอยู่ในป่าใหญ่แต่ถ้าเราได้พบกับพรานผู้ชำนาญการเดินทางในป่าผู้รู้จักทางเข้าออกเราก็จะมีผู้ที่จะพาเราออกจากป่าใหญ่ พาเรากลับสู่บ้านของเราได้ใจของพวกเราก็เป็นเหมือนผู้ที่หลงทางอยู่ในป่าใหญ่ส่วนพระพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าก็เปรียบเหมือนนายพรานผู้ชำนาญทางผู้รู้ทางออกจากป่าใหญ่ผู้ที่จะนำพาให้เราผู้ที่หลงทางอยู่ในป่าใหญ่นี้ให้ออกจากป่าและกลับไปถึงบ้าน ได้อย่างปลอดภัยการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นการรับคำบอกเล่าการบอกทางของนายพรานผู้ชำนาญทางนั่นเองเพราะว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่พบทางที่จะออกจากป่าใหญ่เป็นพระองค์แรกหลังจากที่พระองค์ทรงพบแล้ว พองค์ก็ทรงนำเอาความจริงอันนี้มาเผยแผ่แก่ผู้ที่ยังหลงติดอยู่ในปะะ่าผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อในคำบอกเล่าของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามได้ก็จะออกจากป่าใหญ่ได้กลับไปสู่บ้านที่มี ความสมบูรณ์ทุกรูปแบบที่มีความสุขอยู่ตลอดเวลาไม่เหมือนกับเวลาที่หลงอยู่ในป่ามีแต่ความทุกข์มีแต่ความอดอยากขาดแคลนมีแต่ภัยรอบด้านดังนั้นพวกเราถ้าอยากจะออกจากป่าของการเวียนว่ายตายเกินของวัฏฏะ สงสารที่พวกเราหลงติดอยู่มาเป็นเวลาอันยาวนานพวกเราก็ต้องน้อมศรัทธาความเชื่อเข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็เปรียบเป็นเหมือนแผนที่นําทางให้เราได้ออกจากวัฏตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ให้เราได้ไปสู่บ้านที่แท้จริงของพวกเราต่อไปบ้านที่ไม่มีวันเสื่อมบ้านที่ไม่มีวันหมดบ้านอื่นๆที่พวกเราได้สร้างกันนี้เป็นบ้านชั่วคราวต้งนั้นไม่จะว่าไม่ว่าจะเป็นบ้านในภพของมนุษย์อย่างตอนนี้หรือบ้านในภพของเทวดาทั้งหลายของพรหมทั้งหลายหรือบ้านของเดชะชาน ของเปรดของนรกล้วนเป็นบ้านชั่วคราวเป็นบ้านที่มีวันหมดสิ้นไปพอบ้านหมดสิ้นไปแล้วเราก็ต้องไปหาบ้านใหม่อีกแต่เราหากี่บ้านเราก็ไม่เคยเจอบ้านที่ถาวรสักทีเพราะเราไม่รู้จักทางที่จะพาให้เราไปสู่บ้านที่ถาวรนี่เอง จนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนามาพบกับพระธรรมคำสอนมาพบกับพระพุทธเจ้าถ้าเราได้พบกับพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคาสอนก็ดีพระอาจานตสาวกที่ได้พบกับบ้านที่แท้จริงแล้วก็ดีพวกเราก็จะได้มีโอกาสที่จะได้บ้านที่ถาวร บ้านที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปนี่แหละคือคุณประโยชน์ของพระพุทธศาสนาที่เป็นศาสนาเพียงศาสนาเดียวในโลกนี้ที่จะนำพาสัตว์โลกให้ออกจากป่าแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้เข้าสู่บ้านที่สมบูรณ์ที่ถาวรได้ มีเพียงาศาสนาเดียวเท่านั้นาศาสนาอื่นนั้นไม่สามารถที่จะพาให้สัตว์โลกทั้งหลายได้ไปถึงบ้านที่ถาวรได้มีแต่จะพาไปสู่บ้านที่ชั่วคราวถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านที่มีอายุยืนยาวนานมากกว่าบ้านของมนุษย์ที่เราอยู่กันนี้เป็นเวลาหลายร้อยหลายพันเท่าก็ตาม แต่ก็ยังไม่ใช่เป็นบ้านที่ถาวรเช่นบ้านในเทวโลกหรือบ้านในพรหมโลกเป็นบ้านที่มีอายุยาวนานกว่าบ้านของโลกมนุษย์แต่ก็ยังอยู่ภายใต้กฎของความเสื่อมอยู่มีวันที่จะต้องเสื่อมหมดไปทุกศาสนาสอนให้ทาบุญสอนให้ปฏิบัติ ทำใจให้สงบให้เป็นสมาธิถ้าทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้ก็ได้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นพรมถ้าทําบุญให้ทานรักษาศีลได้ก็จะพาขึ้นไปสู่ชั้นเทวโลกแต่ก็มีวันที่จะเสื่อมเหมือนกับอยู่ในมนุษยโลกมนุษย์โลกนี้ กเราเกิดมาในโลกของมนุษย์เราก็จะเริ่เติบโตจากทารกจนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วต่อไปก็จะเป็นคนชลาแล้วในที่สุดร่างกายนี้ก็ต้องดับไปตายไปใจของเราที่มาอาศัยร่างกายเป็นบ้านอยู่ก็ต้องไปหาบ้านใหม่ต่อ เช่นเดียวกับบ้านในพม่าโลกบ้านในเทวโลกก็เป็นแบบเดียวกันเป็นพรมได้พอเสื่อมจากพรมก็เลื่อนลงมาสู่บ้านของเทวโลกจากเทวโลกก็เลื่อนลงมาสู่โลกของมนุษย์แล้วถ้ากลับมาเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้พบกับผู้ที่ฝ่ายบุญฝ่ายกุศล ไปพบอยู่กับพวกที่ชอบบาป ท, ทำกรรมถ้าทำตามที่เขาสอนก็จะไปสร้างลบ้านในนรกกันไปสร้างบ้านในอบายกันเพราะการทำบาปเป็นเหตุที่จะทำให้ต้องไปสร้างบ้านในอบายบ้านในโลกของเดลฉานบ้านในโลกของเปรตของอสุรกายบ้านของนรก นี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเราทุกๆคนที่ยังวนเวียนอยู่ในวะะัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เกิดในภพน้อยภพใหญ่เกิดในภ พ, น พ, นพที่สูงบ้างเกิดในภพที่ต่ำบ้างตามอํานาจการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจถ้าทํา ไปในทางที่ดีที่เรียกว่าบุญกุศลก็จะไปสู่สุขคติถ้าทําไปในทางที่เรียกว่าบาปก็จะไปสู่อบายไปสู่ทุกขติอันนี้เป็นการกระทํามาอย่างต่อเนื่องของสาตร์โลกทุกๆตัวไม่ว่าจะเกิดในศาสนาไหนก็ตามถ้ามีศาสนาก็จะมีโอกาสที่จะได้ทําบุญได้รักษาศีล ได้นั่งสมาธิทำใจให้สงบก็จะพาให้ไปสู่สุขคติถ้าไม่ได้มีศาสนาเป็นผู้นำพามีแต่ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเป็นผู้นำพาก็จะไปสู่โลกของอบายแต่ก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดสิน้นแต่ถ้า มีพระพุทธศาสนามาปรากฏมีพระพุทธเจ้ามาตรัสโลมาประกาศพระธรรมคาสอนที่จะทรงสอนวิธีที่จะให้ได้หลุดพ้นจากวัตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็จะมีโอกาสได้หลุดพ้นกันอย่างที่มีผู้ที่หลุดพ้นกันมาแล้วเป็นจำนวนมากนับตั้งแต่วันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศ ก็ทำคำสอนเมื่อประมาณสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วหลังจากที่ได้ทรงสอนเรื่องอริยสัจสีเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ไม่มีใครรู้มาก่อนที่เป็นกุญแจที่จะไขประตูให้ออกไปจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิด นี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบมีพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็จะไม่มีใครหากุญแจดอกนี้เจอถ้าไม่มีกุญแจก็จะไม่สามารถเปิดประตูให้ออกไปจากโลกของการเวียนว่ายตายเกิดได้พอพระพุทธเจ้าพบกุญแจแล้วพระองค์ก็ท่ง มาบอกผู้ที่ยังไม่รู้ว่ากุญแจดอกนี้เก็บไว้ที่ไหนพอได้บอกแล้วผู้ที่อยากจะออกจากวัตระแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็มุ่งไปสู่กุญแจดอกนั้นพอไปถึงกุญแจดอกนั้นหยิบมาเปิดประตูก็ออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ มีพระผู้มีผู้ที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมาตามลำดับตั้งแต่สมัยพระพุทธการมาจนถึงปัจจุบันนี้และก็จะเป็นโอกาสของพวกเราที่เราจะสามารถเดินไปหากุญแจดอกนี้ได้และเปิดประตูให้เราออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ ถ้าพวกเรามีศรัทธามีความเชื่อที่จะปฏิบัติถึงทำขั้นที่สูงสุดเพราะว่าถ้าไม่ปฏิบัติถึงทำขั้นสูงสุดปฏิบัติเพียงแต่ธรรมที่ศาสนาอื่นๆได้สอนให้ปฏิบัติกันก็คือทำทานมักษาศีล น, นั่งสมาธิ ทำใจให้สงบด้วยการสวดมนต์ไหว้พระกะด็ดีด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้ากด็ดีอันนี้ก็จะไม่สามารถที่จะพาให้เราไปถึงกุญแจที่จะเปิดประตูให้ออกจากโลกของการเหมือนว่ายตายเกิดได้ถ้าเราอยากจะได้กุญแจดอกนี้เราต้องทำปฏิบัติทำเพิ่มขึ้น นอกจากทาทานรักษาศีลนั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วเราจาเป็นจะต้องศึกษาความจริงสอนความจริงให้ใจรู้ว่าการที่เราติดอยู่กับโลกนี้นั้นเพราะเราเห็นผิดเป็นชอบเราไม่เห็นความจริงว่าโลกนี้เป็นโลกของความทุกข์โลกของการเวียนว่ายตายเกิด โลกของความไม่แน่นอนโลกโลกชั่วคราวโลกที่มีการเกิดแล้วก็มีการดับโลกที่ไม่มีอะไรที่พวกเราจะสามารถครอบครองไว้เป็นสมบัติของเราได้ไปตลอดเป็นสมบัติชั่วคราวไม่สามารถตอบสนองความอยากของเราความต้องการของใจ ที่มีความอยากที่ต้องการความอิ่มความพอไม่มีอะไรในโลกนี้จะให้ความอิ่มความพอแก่ใจของพวกเราได้นอกจากการปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนก็คือให้เราละความอยากให้เราหยุดความอยากต่างๆ เพราะความอย่ากนี้แหละเป็นผู้ที่ทำให้ใจของเราไม่อิ่มไม่พอถ้าเราหยุดความอยากได้ถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเพราะว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องจากเราไปหรือเราจะต้องจากเขาไปเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ถาวรที่คงเส้นคงวา เหมือนเดิมตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปบางอย่างก็เปลี่ยนเร็วบางอย่างก็เปลี่ยนช้าแต่ในที่สุดก็มีการเปลี่ยนแปลงไปและมีมีวันหมดไปเวลาเกิดการเปลี่ยนแปลงเวลาเกิดการหมดไปเกิดการเสื่อมเวลานั้นก็เป็นเวลาที่ทำให้เราทุกข์ใจเพราะสิ่งที่เคยให้ความสุขกับเรานี้ ไม่สามารถตอบสนองความสุขอย่างที่เราเคยได้รับอดังนั้นถ้าเราเห็นความเสื่อมของสิ่งต่างๆในโลกนี้เห็น<ส>เห็นว่าเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เขาไม่เสื่อมไปสั่งให้เขาให้ความสุขกับเราได้ตลอดเวลาเราก็จะหยุดความอยากในสิ่งต่างๆได้เพราะ เป็นการอยากได้ความทุกข์เสียมากกว่าได้ในสิ่งที่ต้องมีการเปลี่ยนไปต้องมีการหมดไปนี่คือปัญญาที่พู้เจ้าทรงตรัสรู้ที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องกับความจริงก็คือเห็นว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่าง มีวันที่จะต้องเสื่อมหมดไปไม่มีอะไรที่เป็นของเราเป็นตัวเราถ้าอยากให้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเป็นตัวเราอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงเที่ยวก็จะทำให้เราต้องผิดหวังเพราะเขาไม่สามารถที่จะทำหรือเป็นไปตามที่เราต้องการได้นั่นเอง เช่นร่างกายของเรานี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปสั่งให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เราไม่สามารถไปยับยั้งสิ่งที่ไม่เที่ยงให้เที่ยงได้ทำให้สิ่งที่ไม่เที่ยงให้เที่ยงได้เช่นร่างกายนี้ร่างกายนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีการเจริญเวลาเกิดมาใหม่ๆก็มีการเจริญ พอจเจริญเต็มที่แล้วก็เริ่มเสื่อมนับถอยหลังจากปีที่หนึ่งถึงปีที่สี่สิบก็เป็นช่วงของการจเจริญเติบโตพอหลังจากปีที่สี่สิบก็เป็นช่วงที่นับถอยหลังพอถึงแปดสิบเก้าสิบก็หมดสภาพไปอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราไม่ยอมพิจารณากันไม่ยอมมองกัน มีแต่ความอยากให้สร้างกายนี้อยู่ไปตลอดอยู่ได้ร้อยปีก็อยากจะให้อยู่อยู่ได้ร้อยยี่สิบปีก็อยากจะให้อยู่อยู่ได้สองร้อยปีก็อยากจะให้อยู่แต่ไม่มองความจริงเลยว่ามีใครอยู่ไปได้นานสักเท่าไหร่กันส่วนใหญ่นี้ก็หกสิบก็เริ่มไปกันแล้วหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบน้อยคนที่จะอยู่เกิเนแปดสิบ ถึงเก้าสิบถึงร้อยนี่เวลาไปก็เกิดความโกลาหลเกิดความวุ่นวายเกิดความเศร้าโศกเสียใจกันทั้งที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นตำตาอยู่ทุกวันมีคนตายให้เห็นอยู่ทุกวันก็ยังไม่เห็นว่าตัวเองจะต้องเป็นอย่างนั้นก็ยังคิดว่าตัวเองจะอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีวันตาย พอไปเจอสภาพที่ท้าทายต่อความตายก็เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาอย่างแสนสาหัสถ้าเกิดโรคร้ายขึ้นมาหมอบอกว่าเป็นโรคอะเรเพียงแค่นี้ก็จิตใจก็จะฟุบลงไป ท, ทันทีทั้งๆ ท, ที่จิตใจเองนั้นไม่ได้ตายไปกับร่างกายเสียด้วยซ้ำไปแต่เพราะความหลงความมืดบอด ความไม่เห็นความจริงของร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ถาวรว่าใจนี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายมองไม่เห็นความจริงอันนี้ถูกความหลงหลอกให้ไปคิดว่าใจเป็นร่างกายพอร่างกายจะต้องตายไปเท่านั้นแหละใจก็ฟุบเลย หมดกําลังใจอันนี้เพราะขาดปัญญาขาดความรู้ขาดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องกับความจริงนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเราหมั่นพิจารณาความจริงกันอยู่เรื่อยๆสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดา ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีการตายไปเป็นธรรมดาร่วงพ้นความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายไปไม่ได้ถ้ามันสอนใจอย่างนี้เรื่อยๆใจจะได้ไม่เกิดความอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเวลาร่างกายแก่ก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ เพราะความทุกนี้ไม่ได้เกิดจากความแก่แต่เกิดจากความอยากไม่แก่ความเจ็บไายได้ป่วยก็เช่นเดียวกันถ้าคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าต้องเจ็บไข้ได้ป่วยพอเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาใจก็จะไม่เกิดความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเกอดความอยากให้หายไปทันทีทันใด ก็จะอยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยได้อย่างไม่สะทุกสะทานไม่เดือดร้อนเพราะรู้ว่ามันเป็นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ตอนนี้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องอยู่กับมันไปรักษาก็รักษาไปแต่ตอนที่รักษายังไม่หายยังเจ็บอยู่ก็ต้องอยู่กับมันไปจนกว่ามันจะหายหรือถ้าไม่หายมันก็ตายไป แต่ถ้าเรารู้ความจริงว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ใจของเราก็จะไม่ต่อต้านความจริงใจของเราก็จะรู้เฉยๆได้สักแต่ว่ารู้ได้รับรู้ความจริงได้รับรู้อย่างไม่สะทกสะทานเพราะใจไม่ได้เป็นร่างกายเราไปวุ่นวายกับร่างกายทําไมเหมือนกับร่างกายของคนอื่นที่เราไม่รู้จัก เวลาเขาเจ็บเวลาเขาตายเราวุ่นวายไปกับเขาหรือเปล่าเราไม่วุ่นวายเลยเพราะอะไรเพราะเรารู้เฉยๆได้เราไม่มีความอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้แต่ถ้าเป็นร่างกายของคนที่เราหลงรักหลงชอบเราจะทำใจเฉยๆได้หรือเปล่าเวลาที่เขาเป็นอะไรไปก็เพราะว่าเราไปมีความอยากให้เขา ไม่จากเราไปนั่นเองดังั้นปัญหานี้ไม่ได้อยู่ที่การแก่การเจ็บการตายหรือการพัดพาจากกันปัญหาอยู่ที่ความอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ให้พัดพาจากกันถ้าเราแก้ปัญหานี้ได้เราก็จะสบายคือเราแก้ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้ อยากไม่พลาดพลาดจากกันได้เท่านั้นแหละแล้วเรื่องของความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆของร่างกายนี้ก็จะไม่เป็นปัญหาต่อไปเราจะอยู่กันอย่างสุขอย่างสบายความจริงก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เราก็ยังต้องแก่เจ็บตายเหมือนเดิมอยู่แต่เราจะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่สะทกสะทา้าน ไม่หวั่นไหวไม่วิตกไม่กังวลไม่เดือดร้อนเพราะว่าเรารู้ความจริงว่าอะไรจะเกิดแล้วเรารู้วิธีแก้ความทุกข์ที่เกิดจากกา ร, รเผชิญกับเหตุการณ์เหล่านี้ก็คือการหยุดความอยากของเหล่านี้เองอันนี้เราได้มาจากพระพุทธเจ้าความรู้วันนี้ไม่มีใครรู้ความจริงอันนี้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียว ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปมาสอนความจริงอันนี้พวกเราทุกคนก็จะไม่ยอมหยุดความอยากนี้โดยเด็ดขาดถึงแม่รู้แล้วก็ยังหยุดไม่ได้ถึงแม่ได้พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังแล้วก็ตามแต่ความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่มันก็ยังฝังลึกจนไม่สามารถที่จะ ขอดถอนมันออกจากใจของเราได้ด้วยการได้ยินได้ฟังเพียงอย่างเดียวเราจึงต้องมีการปฏิบัติต้องมีเครื่องมือเช่นเราอยากจะถอนสิ่งที่ฝังอยู่ในดินนี้เราจะทำอย่างไรเราก็ต้องมีเครื่องขุดมีจอบมีอะไรที่จะขุดดินออกแล้วก็ดึงสิ่งที่ฝังอยู่ในดินนี้ขึ้นมา การที่เราจะถอดถอนความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของความวุ่นวายใจของโลกเราเราก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่จะถอนความอยากเหล่านี้ให้ออกปาจากใจของเราได้ให้ได้เครื่องมือที่สําคัญที่สุดก็คือการเจริญปัญญาหรือวิปัสสนานี้เองที่เป็นเครื่องมือ ชิ้นนี้ชนเดียวที่ไม่มีใครมีนอกจากพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะไม่มีใครรู้จักคำว่าวิปัสสนาจะไม่รู้จักคำว่าอาริยสัจสี่จะไม่รู้จักคำว่าอนิจจังทุกขงกังอนตัตตาก็จะไม่มีเครื่องมือที่จะมาถอดถอนความอยากได้อย่างผู้ที่ปฏิบัติในยุคที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้ายังไม่มีพระพุทธศาสนา ก็าไม่มีใครสามารถที่จะถอดถอนความอยากอันนี้ออกไปจากใจทุกคนยังต้องทุกทรมานกับความแก่ความเจ็บความตายด้วยกันทุกคนแต่พอมีพระพุทธจเจ้ามาสั่งสอนแล้วเราก็จะได้เครื่องมือที่วิเศษนี้มาใช้ในการถอดถอนความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ได้แต่ก่อนที่เราจะใช้เครื่องมือนี้ได้ เราก็ต้องมีเครื่องมืออันอื่นประกอบด้วยก่อนถึงจะเข้าถึงจะมีความสามารถที่จะใช้ปัญญาได้ก็คือต้องมีสมาธิก่อนก่อนที่จะมีสมาธิได้ก็ต้องมีศีลก่อนก่อนที่จะมีศีลได้ก็ต้องมีทานก่อนนี่คือเครื่องม้าเครื่องมือต่างๆที่เราจะต้องรวบรวมมาใช้ในการ ถอดถอนความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ทรมานใจของพวกเราเราต้องทำทานก่อนต้องละความสุขต่างๆจากการใช้เงินใช้ทองไม่หาความสุขแบบนี้ไม่เสียเวลากับการหาความสุขแบบนี้เราจะหยุดยุดติการหาความสุขด้วยการหาเงินหาทอง ด้วยการใช้เงินใช้ทองอย่างที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ทุกวันนี้เรากำลังหาความสุขดับความทุกข์ด้วยการหาเงินทองพอได้เงินทองมาเราก็เอาเงินทองนี้มาซื้อข้าวซื้อของมาใช้อะไรต่างๆเพื่อให้เกิดความสุขและดับความทุกข์ใจแต่เราทำไปจนวันตายมันก็ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ได้อย่างถาวร ไม่สามารถที่จะสร้างความสุขให้กับเราได้อย่างถาวรเราก็ยังต้องทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายอยู่ดังนั้นเราควรที่จะหยุดได้แล้วเรากําลังเดินทางขิดถ้ากลับรถก็คือเรากําลังวิ่งสวนทางถนนวันเวย์เรากําลังวิ่งสวนทางเราควรจะกลับรถแล้วขับไปตามทางคือทาง ของความจริงทางที่จะนำพาเราไปสู่การดับทุกอย่างแท้จริงทางที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงเราต้องหยุดการหาเงินการใช้เงินถ้าเรามีเงินเหลือเราก็บริจาคไปเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาเป็นภาระกับการดูแลรักษาเงินทองถ้าเราสละได้หมดเราก็จะออกไปปฏิบัติ ทำขั้นสูงต่อไปได้เช่นออกบวชได้ผู้ที่ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองไม่ต้องหาเงินหาทองก็จะมีเวลาออกไปรักษาศีลออกไปบวชไปปฏิบัติทำไปนั่งสมาธิได้พอรักษาศีลได้นั่งสมาธิได้แล้วก็ก็จะสามารถเข้าสู่ขั้นปัญญาได้ ขึ้นไปนั่งบนศาลาก็ได้เนะถ้าไปก็หิ้วลำพงไปด้วยที่ลำพงไปที่บนศาลามีทั้งสองชั้นชั้นบนชั้นล่างสะดวกตรงไหนก็เชิญนั่งได้ถ้าคิดว่าเป็นเป็นเทวดาให้น้ำมนก็นั่งต่อไป <c oughs> อันนานจะได้ รับน้ำมนต์จากเทวดาพอได้ของดีกับเว่งหนีกันหมด เราขยับก็มาข้างในก็ได้นะข้างในยังว่างอยู่อ่าพอมาเบียดเบียกันเดี๋ยวเรานั่งสมาธิกันก็ได้ฝนตกแล้วก็พูดกันไม่รู้เรื่องก็ฟังเสียงฝนไปแทนเวลาฝนตกนี่นั่งสมาธิจะสงบง่ายอากาศเย็นสบายแล้วก็ลุกไม่ได้เพราะไปไหนไม่ได้ พอฝนหยุดปั๊บเริ่มขยับกันเรียนตัวลุกไปกันแล่บางทีต้องอาศัยฝนเป็นผู้บังคับให้เราได้นั่งสมาธิกันที่นี่ทุกครั้งเวลาประชุมกันแล้วเกิดฝนตกเราก็ต้องหยุดพูดไปชั่วคราวแล้วก็นั่งสมาธิกันไปรอให้ฝนหยุดพอหยุดแล้วเราค่อยพูดต่อหรือทําอะไรต่อไป ผู้ที่จะฟังต่อก็อยู่ต่อผู้ที่มีธุระที่จะต้องเดินทางต่อไปก็ก็ไปจากที่นี่งั้นตอนนี้ขอเรานั่งสมาธิกันสักครู่หนึ่งรอให้ฝนหยุดก่อนแล้วเราค่อยมาฟังธรรมต่อหรือรับพรเผื่อผู้ที่อยากจะ เดินทางต่อไปจะได้ไม่ต้องนั่งรอานานจนเกินไปวิธีนั่งสมาธิก็คือให้ใจเราจดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งจะใช้คําบริกรรมพุทธโธพุทธโธก็ได้จะใช้การดูลมหายใจเข้ก็ได้หรือจะใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไปก็ได้เช่นหายใจเข้าก็ว่าพุท หายใจออกก็ว่าโทรหรือจะหายใจเข้าว่าพุทธโทหายใจออกว่าพุทธโทก็ได้หรือเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อันนี้ไม่ใช่เป็นสูตรตายตัวแต่ละคนสามารถที่จะเลือกใช้เอาตามจริตของตนชอบอย่างใดก็ใช้อย่างนั้นได้ผลอย่างใดก็เอาอย่างนั้น เป้าหมายก็คือไม่ให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆถ้าใจไม่อยู่กับลมไม่อยู่กับพุทธโธใจก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้แต่ถ้าอยู่กับพุทธโธแล้วใจก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอไม่คิดใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้สมาธิได้ตอนนี้ขอให้เรา ลองนั่งสมาธิกันสักระยะหนึ่งรอให้ผลหยุดก่อนแล้วเราค่อยมาทำอะไรกันต่อไป ให้ทอนก่อนนะเผื่อยากจะกลับก็่าผลนออกไปหน่อยไม่หนักเท่าไหร่ยะทาว า, รวาหรปุราเปาริพุเรนติสาคารงเอวะเมวะอิโตทินังเปตานางกกัอางอุปกะปติอิจิตังปติตังสุมหังคิปเมวะสมิจตุ เจเพตุเรนตุสังเกตภันฑโทปนาราสยธามณีโสติราสยธาสถิติโอวิวัจฉันตุชาพารโควินาสตุมาเตหวทวันตาวายุสุขิชคาโยตวา อาทิวาธนัสิลิตานิจังวุฒาปจายิโนจัตตารุธรรมะวะทานติอายุวันโอสุขังภาลางังขอคิดว่าเทวดาลดน้ำมนให้กันแล้วกันขนเบาละ ตามสบายใครอยากจะนั่งต่อก็นั่งได้ใครจะกลับก็กลับได้ใครอยากจะถามธรรมะปัญหาก็ถามได้เป็นี่ท่าแก่เป็นเท่าแก่ใหญ่ฮะเป็นเท่าแก่ใหญ่เลยไม่มีรูปเหมือนผม ไม่มีอ่ะดีแล้วเวราขอ้การเราก็ไม่มีเห <c oughs> มือนกันมี้วเป็นบ่วงนะองพระเจ้าบอกบวกราหุนแต่ว่าบวก กลับมาเกิดเลยกลับมาแล้วก็ต้องชุกใหม่นะไปดีกว่าไปให้หลุดพ้นอย่างน้องตาดีกว่านะสุขโตไปสบายไม่สูญหายรับรองได้นิพพานไม่สูญนะนิพพานเป็นบ้านเป็นบ้านที่ขาววองบ้านที่ปลอดภัยบ้านที่ไม่มีความชุกบ้านอื่นยังมีความชุกอื่่ ก็ยังมีความเสื่อมอยู่มีบ้านมีบ้านที่พานดันั้นที่ไม่มีวันเสื่อมขอให้พวกเราตั้งเ้าไปที่บ้านที่พานกันเถิดนเาเาถามผมผมผมไม่ทราบนที่ดมันมี่ดขออนุญาตถาอาจารย์เขามาถามผมบอกว่าแ่คุณรไหม ไปนิานเองแล้วคอยู่ตรงไหนรว่างนั้นถ้ารู้ว่าไม่่มรดกนะฮะจำมรดกไม่ต้องมีจรีเรีนอออแล้วรปอยู่ที่หั้นของของสวรรคของฟ้าของันสูงสดี่ยสูงสงกว่าพรมอีกสวรรค์มันมีชั้นชั้นเทพชั้นขมแล้วก็ชั้นนิพพานชั้นมรรคขอนิพพาน ก็เป็นตึกก็ตึกชั้นสูงสุดเท็น้าเลยเยอเท็นทาวแเราไม่ต้องลงมาด้วยเพราะข้าขงบนมีของครบทุกอย่า ง, ไ ม, งมาไม่ต้องกลับมาเกิดแล้วถ้าชั้นอื่นี้ต้องกลับลงมาเกิดใหม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาเราก็จะไม่มีโอกาสได้ไปถึงชั้นสูงสุดเพราะไม่มีใครรู้จักทาง มีพระุเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวแล้วถ้าเรากลับมาเกิดใหม่คราวหน้าก็ไม่เจอพระพุทธเจ้าไม่เจอพระ พ, พ, พุทธศาสนาเราก็จะไม่รู้ทางเนาะงั้นเรารีบศึกษาทางเสียตั้งแต่ปัจจุบให้มีดวงตาเห็นธรรมถึงแม้ว่ายังไม่ถึงพระนิพพานแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วก็จะไม่หลงทางจะรู้จักทางจะไต่เต้าขึ้นไปเองได้ไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมาก ถ้ายังไม่ถึงขั้นพระโสดาบันก็พอตายไปก็จะลืมหมดสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้ทําะไนี่จะลืมแต่พระโสดาบันนี้ไม่ลืไมไม่ลืมลทางที่จะไปสู่นิพพานแทนพยายามปฏิบัติให้ถึงขั้ น, ข, นขั้นโสดาบันขึ้นไปขั้นโสดาบันก็ต้องมีปัญญาเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเรา ฐานาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเหมือนฝนตกฝนนี่ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้ก็เหมือนกับฝนทำมาจากดินน้ำลมไฟเดี๋ยวร่างกายเราก็หายไปเดี๋ยวดินน้ำลมไฟในร่างกายเราก็แยกผ่านกันไปตอนนี้เหมือนฝนตกร่างกายเราเดี๋ยวพอฝนหยุดฝนก็หายไป ร่างกายเราพอเราอยูุดหายใจร่างกายก็จะแยกหายไปอย่าไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราเป็นบ้านอนะาศัยชั่วคราวตัวเราที่แท้จริงคือใจใจที่ยังหลงอยู่ต้องมาแก้ความหลงที่ใจไม่ให้ไปหลงยึดติดกับสิ่งที่ต้องตายต้องตายต้องดับไปพอไม่ยึดติดแล้วเวลา เกิดขึ้นกับอะไรก็จะไม่ทุกข์ใจงั้นต้องนั่งสมาธิบ่อยๆสวดมนต์พุโทโธไปเรื่อยๆทำใจให้สงบพอใจสงบแล้วก็จะเข้าใจเองว่าตัวเราคือใครกันแน่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าตัวเราเป็นใครอยู่ที่ตรงไหนตัวเรากับร่างกายนี้คนละตัวกันอยู่คนละที่กัน ร่างกายอยู่ในโลกขัต tha อยู่ในโลกดินน้ำลมไฟส่วนใจนี่อยู่ในโลกทิปโลกทิพก็มีหลายชั้นชั้นสวรรค์ชั้นพมชั้นเทพชั้นมนุษย์แล้วก็เลื่อนลงไปสู่ชั้นเดรัจฉานชั้นเปรตชั้นนรกนี่เป็นที่อยู่ของร่างทิปโลกทิปใจเป็นร่างทิป ถ้าอยู่ชั้นต่ำก็ร้อนเช่นนรกนี่ร้อนความทุกข์มากชั้นเป็ดก็หิวมากชั้นผีชั้นอสุรกายก็กลัวมากมิตกกังวลวุ่นวายใจมากชั้นเดรัจฉานก็อย่างที่เราเห็นกันชั้นมนุษย์ก็อย่างที่เราเห็นกันมีมนุษย์กับเดรัจฉานท่านนั้นที่มีกายหยาบด้วย แต่ชั้นอื่นๆนี้ไม่มีกายหยาบไม่มีร่างกายมีแต่ร่างทิพย์นั่งทิตนี้จะเห็นได้ก็ตอนที่เรานอนหลับหรือเรานั่งสมาธิเวลาเรานอนหลับแล้วเราฝันไปเนี่ยอันนี้ยเป็นเรื่องของร่างทิพย์ล้วนๆฝันดีก็เป็นสวรรค์ฝันร้ายก็เป็นนรกบางคืนเรานอนหลับแล้วฝันฝันไปตามบุญตามบาปที่เราทำํำ ถ้าเราทำบุญเราก็จะฝันดีฝันว่าไปสวรรค์ไปเที่ยวไปมีความสุขตามที่ต่างๆถ้าฝันร้าย ก, ก็แสดงว่าเราทําบาปเป็นผลโองการทําบาปฝันว่าคนนั้นมาตามฆ่าเราคนนี้มาตามดา่าเราอดอยากาขาดแคลนมีเรื่องมีราวมีปัญหาต่างๆร้อยแปดนี่คือเรื่องของกายชิดร่างชิด ที่อยู่ใน โ, นโลกเวลาเรานอนหลับเราฝันถิมเรื่องราวเหล่านี้เป็นเหมือนกับดูหนังตัวอย่างดูว่าบุญบาปที่เราทำนี่มันจะส่งผลอย่างไรพอเวลาเราถึงเวลาร่างกายนี้ตายไปบุญกับบาปมันจะมาแย่งใจดวงนี้ใครมีกำลังมากกว่าก็จะดึงไปทางนั้นถ้าบาปมีกำลังมากกว่าก็จะดึงไปทางออบาย ถ้าบุญมีกำลังมากกว่าก็จะดึงไปทางสวรรค์งั้นขอให้เราทำบุญมากๆทำบาปให้น้อยและเวลาเราตายไปเราจะได้มีบุญดึงเราไปสวรรค์ถ้าทำบุญถึงขั้นพระโสดาบันได้ก็ยิ่งดีใหญ่จะพาให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดชั้นต่าอีกต่อไปถ้าโสดาบันนี่มีบุญมากจนบาปไม่สามารถที่จะดึงให้กลับไปเกิดในอบายได้ แล้วก็จะพาไปสู่พระนิพพานในที่สุดขอให้พยายามทำบุญทำทารนรักษาศีลนั่งสมาธิแล้วก็พิจารณาอาริยสัจ ส, สีทุกสมุทัยนิโรธมาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนาาัตตาขอให้เขาเข้าใจว่าอาริยสัจ ส, สีเป็นอย่างไร อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอย่างเราแล้วมันจะถอนให้ใจเราปล่อยวาถงถอนให้ใจเราไม่หลงเดินเข้าหาอบายไม่เดินเข้าหาการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจสี่เราก็จะเดินออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ตอนนี้เราตาบอดเรา กับเห็นกองทุกข์ว่าเป็นกองสุขกันเห็นว่ามีลูกมีความสุขกันอยากจะมีลูกกันถ้าอยู่คนเดียวก็อยากจะมีแฟนกันแต่ไม่คิดว่าถึงเวลาจะจากกันจะสุขหรือจะทุกข์ตอนอยู่ด้วยกันก็มีความสุขแต่เวลาจากกันนี้ก็จะมีแต่ความทุกข์นี่ยเรากําลังเดินเข้าหากองทุกข์เดินเข้าหาการเวียนว่ายตายเกิด พราถ้าเราหมดแฟนคนนี้เราก็หาแฟนคนใหม่ถ้าร่างกายนี้ตายไปก็หาร่างกายอันใหม่มาเพราะยังอยากมีร่างกายยังอยากมีแฟนยังอยากมีลูกยังอยากจะมีความสุขทางร่างกายอีกเราก็จะกลับมาหาความแก่ความเจ็บความตายอยูแต่ถ้าเราเห็นอริยสัจสี่เราเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะไม่กลับไปหาสิ่งเหล่านี้ เพราะเราจะเห็นว่ามันเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขแล้วเราก็จะเดินออกจากกองทุกข์เดินเข้าสู่พระนิพพานไปนี่คือพระพระโสดาบันจะเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขการมีครอบครัวมีลูกมีสมบัติข้าวของเงินทองการมาเกิดนี่เป็นความทุกข์จะไม่หันกลับมาหาร่างกาย จะเดินนีจากของทุกสิ่งทุกอย่างจะเดินเข้าหาความสงบเพียงอย่างเดียวเพราะความสงบนี่แหละคือบ้านที่แท้จริงของเราเป็นความสุขที่แท้จริงของเราที่จะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปแต่ของต่างๆในโลกนี้จะต้องมีวันหมดไปเขาไม่จากเราไปเราก็ต้องจากเขาไปเวลาจากกันก็เป็นเวลาที่ ร้องห่มร้องไห้กันเศร้าโศกเสียใจกันนี่คือพระโสดาบันจะเห็นอย่างนี้เห็นกองทุกข์แล้วก็เห็นกองสุขจะจะรู้ว่ากองสุขอยู่ตรงไหนกองทุกข์อยู่ตรงไหนแต่ถ้าเป็นปุถุชนนี้จะไม่เห็นจะเห็นกับตาละปัตจะเห็นกองทุกข์เป็นกองสุขจะเห็นกองสุขเป็นกองทุกข์ เช่เห็นนั่งสมาธิแล้วทุกข์เวลานั่งสมาธิแล้วทุกข์ไม่อยากจะนั่งกันเวลาได้ไปอยู่กับแฟนแล้วมีความสุขอยากจะอยู่กับแฟนมากกว่าจะอยู่กับคนเดียวนั่งสมาธิอยู่คนเดียวแต่ถ้านั่งได้ได้ผลได้พบกับความสงบ ก, <c oughs> ก็จะเห็นความจริงว่าความสงบนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงการอยู่กับแฟนนี่แหละคือความทุกข์ที่แท้จริง แล้วต่อไปก็จะอยู่คนเดียวได้พออยู่คนเดียวได้ก็จะไม่ทุกกับการสูญเสียการจากไปของบุคคลต่างๆของสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นนอกจากนั่งสมาธิได้แล้วต้องพิจารณาอ น, นิจจังอยู่เรื่อยๆอคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนพิจารณาอนัตตาว่าไม่มีอะไรเป็นของเราพิจารณาทุกขังอริยสัจ ว่าเกิดจากความอยากของเราอยากให้สิ่งที่ไม่เที่ยงมันเที่ยงอยากให้สิ่งที่ไม่ใช่ของเราเป็นของเราพอไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากเราก็เศร้าโศกเสียใจแต่ก็ไม่เข็ดพอพอหายเศร้าโศกเสียใจก็ไปหามาใหม่แล้วก็มาเศร้าโศกเสียใจใหม่ทำอย่างนี้มาเรื่อยๆซ้ำแล้วซ้าอีกนับไม่ท่วนแล้ว จนกว่าเราจะเข็ดหลาบจนกว่าเราจะเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียสิ่งต่างๆไปและไม่อยากจะมีความทุกข์แบบนี้อีกต่อไปอันนี้แหละคือการปฏิบัติเพื่อให้เราได้ออกจากกองทุกข์เพื่อให้เราได้ไปถึงพระนิพพานถ้าไม่ชาตินี้ก็ไม่เกินเจ็ดชาติกันอย่างมากต้องศึกษาพระอริยสัจสีต้องเข้าใจอนิจจังทุกขังอนัตตา อาจารย์ครับพิพัฒน์อาจารย์บอกว่าฝันดีคือสวรรค์ฝันร้ายคือนรกแล้วถ้าไม่ค่อยฝันนะครับเป็นเพราะอะไรครับไม่ฝันก็คือไม่ได้ตอนนั้นบุญกับบาปไม่ได้ส่งผลบางวันเราก็มีความสุขบางวันเราก็มีความทุกข์บางวันเราก็เฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์แสดงว่าช่วงนั้นบุญไม่ได้ทําไม่ได้ส่งผลบาปไม่ได้ส่งผลก็เลยอยู่กลางๆไม่สุขไม่ทุกข์หรือว่าถ้าเป็นแบบไม่ฝันแต่ มีความสงบนิ่งอันนี้กเ็เป็นผลที่เกิดจากการนั่งสมาธิมันก็มีแบบไม่ฝันมีอยู่สองอย่างไม่ฝันก็คือสงบอยู่ในสมาธิอย่างนี้ก็เป็นผลที่เราได้นั่งสมาธิหรือว่าไม่ฝันได้ไม่ฝันดีเพราะว่าตอนนั้นบญกับบาปไม่ได้ส่งผลไม่ได้ทำงาน แม่อรารย์ว่าอุบาการรูปกอย่างเช่นหลวงตาอย่างนี้นะฮท่านท่านไปวิปานแล้วเนี่บแล้ ว, ลวท่านมีโอกาสที่ว่านคนจะมาสอนูกิยคนน้อยคนยหน่อยอไ่านี้ครับเป็นไปได้ไครับได้เป็นไปได้เพราะหลู่มั่นก็มีพระพุทธเจ้าพระอรหันต์มาโปรดเหมือนกันแต่ลูกศิษย์ต้องขยันภาวนาถ้ายัางภาวนานั่งสมาธิไม่เป็นก็ท่านก็ติดต่อกับเราไม่ได้ อย่างหนวงปูมัน่นในเวลาท่านนั่งสมาธิจิตท่านสงบก็มีพระอาารหันต์มือพระพุทธเจ้ามาโปรดมาสัทนาธรรมมาแสดงธรรมได้ถ้าเราอยากจะติดต่อกับหลวงตาเราก็ต้องนั่งสมาธิให้ได้คําใจให้สงบให้ได้แล้วเราก็มีโอกาสถ้าเรามีอะไรความผูกพันกับท่านเนี่ยท่านก็จะมาหาเราถ้านไม่มีร่างกายท่านันเอง ใจของท่านก็ยังมีเหมือนเดิมครบทุกอย่างเหมือนเดิมยังมีเวทนามีสัญญาสังขารยุ่งยาแต่ท่านจะใช้มันก็ได้ไม่ใช้มันก็ได้ท่านเปิดปิดได้แต่พวกเรานี้เปิดปิดไม่ได้พวกเราคิดอยู่ตลอดเวลานอนหลับก็ยังฝันความฝันก็เกิดจากความคิดของเรานี่งนั้นเราต้องภาวนาหัดภาวนาให้เป็น วิธีภาวานาก็คือร่มต้นที่พุทธโธตั้งสติให้จิตนี้อยู่กับพุทธโธอย่าไปคิดเรื่องราวต่างๆแล้วใจก็จะว่าจะสงบได้พอสงบแล้วทีนี้ก็จะสามารถรับดวงวิญ ญ, ญาณของผู้อื่นได้รับพระพุทธเจ้าได้รับพระอรหันต์ต่างๆได้รับเทวดาได้ครูบาอาจารย์ท่านคุยกับเทวดาได้น้องปู่ม่นสั่งสอนเทวดาได้ ใจต้องสงบก่อนถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือก็ต้องปล่อยเครื่องก่อนถึงจะติดต่อกันได้ใจของเราก็เป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือแต่ตอนนี้เราปล่อยเครื่องไม่เป็นเราปิดเครื่องไม่รับไม่รับเรื่องราวภายนอกกันแต่ถ้าเรานั่งสมาธิแล้วก็เท่ากับเราเปิดเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องแล้วทีนี้ถ้ามีเทวดามีพระพุทธเจ้ามีพระอาหารอยู่ตรงไหน อยากจะพบกับเราท่านก็นมาพบกับเราได้นั้นขอยรับปล่อยเครื่องขัดปล่อยเครื่องกันให้เป็นวิธีปล่อยเครื่องก็คือให้ท่องพุโทโธพุทโธไปเรื่อยๆท้องมันทั้งวันเลยไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องคิดอะไรทําอะไรก็ท่องพุโทโธไปด้วยอาบน้ําก็พุโทโธได้กิน ข, ข้าวก็พุโทโธได้แต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธได้ขับรถไปไหนมาไหนก็พุโทโธได้ แล้วพอมีเวลาว่างก็นั่งหตบตาพุโทโธต่อแล้วใจก็จะเข้าสู่สมาธิได้พอเข้าสู่สมาธิได้แล้วทีนี้ก็รับรู้เรื่องราวต่างๆได้อย่างคุณแม่แก้วนี้ก็เวลาเข้าสมาธิแล้วก็มีดวงวิญญาณของคนตายของสัตว์ตายเข้ามาหาบางทีวัวถูกฆ่าตายควายถูกฆ่าตายก็เข้ามาหาหูป่าถูกยิงตายก็มาหาไหคุณแม่แก้ว คืนที่ห้วงปู่มั่นเสียมรณภาพหงปู่ม่นก็มาหาคุณแม่แก้วมาบอกว่าไม่ต้องมาหาเราแล้วน ะ, ะเราตายแล้วเนี่ยงจ่าเขียนไว้ในหนังสือปฏิปทาลองไปเกิดดูเนี่ยลงปู่ม่นตายแล้วยังติดต่อกับคุณแม่แก้วได้เพราะท่านกับคุณแม่แก้วมีความสัมพันธ์กันมีความผูกพันกันมีความห่วงใยกัน แล้วคุณแม่แก้วก็มีสมาธิที่จะรับดวงวิญญาณของหลวงปู่มั่นได้ถึงติดต่อกันได้พวกเราก็ยังจะติดต่อกับหลวงตาได้ถ้าเราอยากจะติดต่อขอให้เราทำใจให้สงบนั่งสมาธิให้ได้แล้ ว, แ ล, วแล้วทำไมบางแห่งสอนว่านิชาเป็นสูตรนะครับอาจารย์ สอนแบบคนตาบอดเนี่ยสอนแบบคนที่ไม่ได้ปฏิบัติสอนแบบจากการอาร่านหนังสือเพราะว่าในหนังสือจะมีคําพูดว่านิพพานังปรมังสุญยังเพราะเลยคิดว่านิพพานสุญแต่ความจริงคําว่าสุญ น, นี่หมายถึงสุญจากความโลภความโกรธความหลงสูญจากภพชาติไม่มีภพชาติอยู่ในใจของผู้ไปถึงพระนิพพานเป็นความบริสุทธิ์ สะาดบริสุทธไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองมีแต่ความว่างสัจจะว่ารู้เหมือนตอนที่เวลานั่งสมาธินี่ใจเราจะว่างจะสัจจะว่ารู้ถ้าใจเราสงบไม่คิดอะไรก็จะไม่มีอะไรเลยว่าจะเป็นความว่างชั่วคราวไม่เหมือนกับนิพพานี่เป็นความว่างขาววอนพอเราออกจากสมาธิมาความว่างกรหายไป อาราเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้กิเลสปัญหาก็โผล่ขึ้นมาแต่พระนิพพานนี่ไม่มีจะอยู่ในสมาธินั่งสมาธิก็ไม่มีกิเลสปัญหาเพราะถูกปัญญาทำลายไปหมดแล้วปัญญาก็คือเครื่องถ่ายเผากิเลสเองสะโพสะปะปัญญาคือสปะไฟเผากิเลส ถึงไม่สอนให้พิจารณาอริยสัจสี 4, ให้พิจารณาอนิจจังทุกขงังอนัสตาถึงจะถ่ายเผากิเลสได้สมาธินี้เพียงแต่กดกิเลสไว้เรียกว่าถินทับหญ้ากดเอาไว้เฉยๆพอยกขินออกหญ้า ก, ก็จะงอกขึ้นใหม่ๆถ้าอยากจะให้หญ้าตายไปอย่างถาวอลก็ต้องถอนรากถอนโคนของหญ้า สิ่งที่จะถอนลากโคนของกิเลสตหาได้ก็คือปัญญาเพราะลากโคนของกิเลสตหาก็คือความหลงนี่ความไม่เห็นอนิจจังทุกขั water, earth, sure. งอนัตตาความไม่เห็นอริยสัจสี่พอเห็นอริยสัจสเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะหายหลงพอไม่มีความหลงก็จะไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความอยากนี่คือ ปัญญาของพระพุทธเจ้าไม่มีใครรู้ความจริงอันนี้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระ อ, องค์เดียวจึงเป็นพระ อ, องค์เล็กน้กที่ได้หลุดพ้นได้ไปถึงพระนิพพานได้ด้วยตนเองพวกเราต้องอาศัยบารมีของพระพุทธเจ้าอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าพาเราไปถ้าเราไม่ได้มาพบ ก, กับคําสอนไม่ได้มาพบ ก, กับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่มีวันที่จะไปถึงพระ น, น, นิพพานได้ เราก็จะเวียนว่ายตายเกิดระหว่างพรมรัโลกจับดรกขึ้นขึ้นลงลง ต, ตามการกระทำของเราทำบุญก็ไปถึงพรมโลกทำบาปก็ตกลงไปถึงนรโลกก็จะวนไปวนมาขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้จนกว่าจะได้พบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาชาตนี้จึงป็นถือว่าเป็นชาติที่วิเศษมากเป็นชาติที่ ประเสริฐมากข้าได้พบกับ พ, พระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคําสอนได้พบกับโอกาสที่จะได้ไปถึงพระนิพพานได้ทำไมรีบสีสัวรถไฟจะออกแล้วรถไฟของวกเราก็คือความแก่ความเจ็บความตายถ้าไม่รีบสีสัวเดี๋ยวรถไฟออกแล้วก็ไม่ได้ขึ้นใไปไม่ได้พอตายแล้วก็จบ ดวงจิตดวงวิญญาณของเราต้องออกเดินทางต่อไปก็จะไม่รู้ว่าจะได้เจอกับพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งเมื่ อ, อไหร่ฉนฉะนี้ขอให้เรารีบศึกษาให้มากๆฟังเทศให้มากๆแล้วพยายามปฏิบัติเจริญสติให้มากๆไม่ยากหรอกถ้าทำจริงๆไม่เกินเจปีเท่านั้นเองพระพุทธเจ้ารับรองไว้แล้วแล้วก็มีผู้ปฏิบัติ บรรลุภายในเจ็ดปีนี้หรือภายในชาตินี้กันอย่างมากมา ย, ย่างนีนเป็นครูบาอาจารย์ต่างๆที่เรากราบไหว้บูชาด้วยแม้กระบรรลุในชาตินี้กันทั้งนั้นแต่ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาตอให้ปฏิบัติเก่งขนาดไหนอีกล้านชาติก็ยังไม่ได้บรรลุอันนี้แหละคือความวิเศษของพระพุทธศาสนาคือความโชคโชคาบารมีประเสริฐของพวกเรา นขนตอนเราเรียกตักตวงโอกาสนี้เถิดไม่ยากเกินความสามารถของพวกเราต่าแวนี่ เมื่อเสด็จเราพวกนี้เป็นพวกที่เหมือนกับว่าถูกดทบทโทหมดกรรมไงไปใช้กรรมในนรกในอบายมาพอหมดกรรมแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่เป็นมนุษย์ที่อาภาัพวาสนาเป็นมนุษย์ที่ไม่สนใจที่จะรักษาศีลทาบุญทำทานก็กินเหล้าเมย า, เายาเสพุราลายเมาอบายมนุษยต่างๆ พวนี้เดี๋ยวก็ต้องกลับไปใช้กลับใหม่ต่อไปพวกที่กลับมาที่เป็นพวกที่มีบุญวาสนาก็คือพวกที่ชอบทำบุญทาทานพวกที่รักษาศีลพวกที่ชอบปฏิบัติธรรมพวกนี้เป็นพวกที่กลับมาจากสวรรค์กันกลับมาจากชั้นคอมโลกกลับมาจากชั้นเทพเทวโลกแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหมเนื่องจากว่ายังไม่สามารถไปถึงขั้นพระโสดาบันได ยังไปไม่ถึงพระนิพพานก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่เราจึงมีมนุษย์สองจำพวกคนดีกับคนไม่ดีคนดีเป็นพวกที่ฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุกๆพกทุกชาติเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็จะทําแต่บุญทาแต่กุศลจนกว่าจะได้มาเจอพระพุทธเจ้ารอบปฏิบัติธรรมขั้นสูงสุดได้ก็จะไปพระนิพพานได้ส่วนพวกที่ฝ่ายบาปพวกที่ชอบทําบา ชอบอบายยมุขนี้พวกนี้ก็กลับมากี่พกขี่ชาติก็จะมาทําบาปทํากรรมแล้วตายไปก็ต้องกลับไปเกิดใช้ใช้กรรมในอาบายสลับไปสลับมาอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนตัวเองได้เชนงคุลิมาอย่างนี้มาเปลี่ยนใจได้มาเจอพระพุทธเจ้าแล้วเปลี่ยนใจกลับตัวก็กลับตัวได้เปลี่ยนนิสัยได้ก็ยังมีโอกาสที่ไปพันธุ์พันได้เหมืัน นันอยู่ที่เราเราเคยทำอะไรมันจะติดเป็นนิสัยมาเราชอบทำเบนมันก็จะติดเป็นนิสัยมาเราชอบกินเหล้ามันก็จะติดเป็นนิสัยมาแต่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ดีเราก็เลิกได้แต่ต้องลำบากหน่อยต้องฝืนมันคนที่เคยกินเหล้าเลิกกินเหล้านี้ต้องต้องบังคับตัวเองมากถึงจะเลิกได้แต่เลิกได้ แต่ต้องมีความตั้งใจมีความแน่วแน่ที่อยากจะเลิกมันก็จะเลิกได้ในทางตรงกันข้ามคนที่ทำบุญมาก็อาจจะไม่ทำก็ได้ถ้าไปเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดเสื่อมศรัทธาขึ้นมาแล้วก็ไม่อยากจะทำบุญก็ได้หรือไปเจอคนที่หลอกชวนให้ไปในทางที่ผิดแล้วก็หลงตามเขาไปก็อาจจะเลิกทำบุญก็ได้ไม่แน่คนเราถึงสลับกันได้ จากคนใจบาปมาเป็นคนใจบุญก็ได้จากคนใจบุญจะกลับมาเป็นคนใจบาปก็ได้แล้วมีพวกแบบที่ไม่เปลี่ยนก็มีพวกที่เป็นใจบุญก็จะใจบุญไปเรื่อยๆแล้วพวกที่ใจบาปก็จะใจบาปไปเรื่อยๆก็มีเหมือนกันคนเราจึงมีหลายจําพวกไงขึ้นอยู่กับความคิดของเราเอง เพาเจ้าถึงสอนบอกให้คิดดีวิธีจะคิดดีก็ต้องอยู่กับบัณฑิตอยู่กับคนฉลาดเช่นอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยเวลาเราได้อยู่กับครูบาอาจารย์เราจะได้ฟังแต่สิ่งที่ดีท่านจะไม่สอนให้เราไปโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้ไม่สอนให้เราไปลักทรัพย์ไปช่อโกไปเดินโชลายามาท่านจะสอนให้เราทำแต่บุญให้เรารักษาศีลให้เราภาวนา แต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเขาจะชวนให้เราไปพ้นธนาคารไปโกไปโกโหกหลอกลวงไปเสพจุลายาเมาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปเที่ยวตอนกลางคืนนี่คืออิทธิพลของคนที่จะมีกับเราในมงคลรศถราถึงสอนให้ให้ให้คบคนดีคบบัณฑิตไม่ให้คบคนทานคบคนชั่ว การไม่คบคนพาลการครบบัณฑิตเป็นมงคลอย่างยิ่งเนี่ย yeah. นี่คือสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องเอ่อคํานึงคนที่เราครบนี่เป็นคนแบบไหนเนี่ย <Yeah. S 1> อย่างวันนี้เราครบคนดีชวนกันไปทําบุญเหมือนตื่นแต่เช้ากุาลขับรถขับราไปถึงวัดที่ห่างไกลทาบุญเสร็จแล้วยังอุตสศลขับรถมาถึงที่นี่มาฟังเทศฟังธรรมมาทำบุญอีกตอ่อ นี่เป็นอำนาจเป็นเป็นเป็นเป็นเรื่องของการที่ได้อยู่กับคนที่ชอบทำบุญถ้าไปอยู่กับคนที่ชอบกินเหล้าเมายาวันนี้ก็อาจจะชวนไปชายแดนขเขมรไปเข้าบ่อนไปเดิมสุรายาเมาไปเล่นการพนันมีตอนนี้มีคนไปแล้วบ่อนที่ขเขมรตอนนี้มีคนไปกันเยอะแยะนั่นก็เป็นเพราะเขาไปคบกับคนอย่างนั้น แล้วใจของเขาก็ชอบอย่างนั้นด้วยเขามีความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นว่าการเดินโชาการเล่นการพนานเป็นความสุข<ม>เป็นความเจริญ<ม>เล่นแล้วจะรวย<ม>จะกำไร<ม>แต่ส่วนใหญ่มีแต่เจ้าของบ่นนะกำไร<ม>คนไปเล่นนะส่วนใหญ่จะแจ้งกันกลับมาทั้งนั้น<ม>นัน ขอให้พวกเราเกอร่อติดกับคนดีเราได้กอ่อติดกับครูบาอาจารย์มาตั้งแต่รุ่นรุ่นใหญ่ตั้งแต่ห ล, ง ล, งลงวลงปู่ฟั่นลงมาหลวงปู่ขาวหลวงปู่หลวงตาตอนนี้ก็มากอ่อติดอยู่กับลูกหลานของท่านก็ขอให้พยายามกอ่อติดไปเถิดท่านจะไม่พาเราไปสู่นรกอย่างแน่นอนท่านจะพาเราไปสู่พระนิพพานพาเราไปสู่การหลุดพ้นจากวองทุกข์ทั้งหลาย แต่เราก็ต้องเป็นผู้ที่ขวายคว้าด้วยถ้าเราอยู่เฉยๆเราก็จะไปไม่ได้ท่านบอกเราท่านสอนเราได้แต่เราต้องเป็นผู้เดินไปท่านเดินให้เราไม่ได้ปุ้มเราไปไม่ได้เราต้องเป็นผู้ดันตัวเราไปเองให้ได้นอกจากทำทานรักษาศีลแล้วตอนนี้เราต้องหักพุโทโธกันแล้วละ่ะอยู่กับหลวงตามากี่ปีท่านเคย พูดว่าไม่ต้องพุโทโธไหมท่านมีแต่ว่าให้พุโทโธพุโทโธกันอยู่ตลอดเวลาขอให้เราทําตามหลวงตาเถอะถ้าเราอยากจะบูชาคุณของท่านขอให้เราบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาจะทําให้ท่านมีความสุขมากที่เห็นเราภาวนาเป็นที่เห็นว่าเราพุโทโธเป็นเพราะถ้าเราพุโทโธเป็นแล้วเราก็จะใกล้พระนิพพานเข้าไป ถ้าเรายังพุโทโธไม่ได้นี่เรายังอยู่ห่างไกลจากพระนิพพานมากฉะนันขอให้เราพยายามกันต้องปลุกตัวเราเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังภาวนาพุโทโธอยู่หรือเปล่าถ้าเราถามตัวเราเองอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้ไม่ลืมถ้าเราไม่ถามตัวเราเองเรามักจะลืมเพราะความคิด มันจะหลอกให้เราไปคิดเรื่องราวต่างๆจนกระทั่งลืมงานสําคัญที่หลวงตาที่พระพุทธเจ้าฝากให้กับพวกเราก็คืองานภาวนางานเจริญพุทธานุสติกพุทโธพุทโธเพราะถ้าเราได้พุทโธแล้วเราก็จะได้สมาธิได้ฌานขั้นต่างๆได้ความสงบขั้นต่างๆแล้วพอเราได้ความสงบแล้วเราก็จะเห็น ความจริงเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจสี่ได้ตอ น, นิตาของเรามันเหมือนกับแว่นตาที่มันมัวมองไม่เห็นเราต้องเช็ดแว่นการเช็ดแว่นก็ใช้พุโทโธนี่แหละเช็ดห้องพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวใจก็จะใสใจก็จะสว่าง ข, ขึ้นมาไถาสว่างแล้วก็จะเห็นสิ่งที่ถูกบกปิดอยู่เห็นนิพพานเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกอนิจัง เห็นอนนี้จังทุกข์ของนักตาฉันไม่มีใครที่จะลืมตาให้เราได้เปิดตาของเราได้ทำตาของเราให้ใสได้ทำแว่นให้ใสได้นอกจากเราเราต้องเป็นคนเช็ดแว่นตาเราต้องเช็ดใจของเราให้ใสด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยน้องอยากไปคิดเรื่องราวต่างๆดูสักวันหนึ่งสิขอคิดแต่พุทโธอย่างเดียว ถ้าจะคิดก็คิดเรื่องที่จําเป็นเท่านั้นเช่นเรื่องทํามาหากินเรื่องทําอะไรที่จําเป็นแต่เรื่องที่ไม่จําเป็นแล้วก็เอามาคิดพุทโธแทนแล้วเราจะเห็นความแตกต่างของใจเราจะเริ่มเห็นนิจังทุกขังอนัตตาเราจะเริ่มเห็น อ, น อ, อ, น ร, ร, นอริยสัจสิเราจะเริ่มเห็นความสงบเห็นพระนิพพานอยู่ที่พุทโธนี่แหละไม่เช่นนั้นครูบาอาจารย์ท่านจะไม่เหนื่อยกับการสั่งสอนเรื่องพุทโธนี่หรอก พุทโธนี่เป็นเหมือนกับการสอนให้เด็กรู้จักยืนให้ได้ก่อนถ้ายืนได้แล้วเดี๋ยวก็เดินได้พอเดินได้ก็จะวิ่งได้แต่ถ้ายังเดินยืนไม่ได้มันก็เดินไม่ได้วิ่งไม่ได้ถ้าพุทโทไม่ได้ก็นั่งสมาธิไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้ใจไม่สงบก็จะไม่เห็นไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัณตาไม่เห็นนิพพานไม่เห็นอริยสัจสิ ฉันขอให้พวกเราพยายามเจริญพุท ธ, ธานุสตินี้ให้ได้เถอะแล้วสิ่งที่ดีสิ่งที่เลิศที่ครูบาอาจารย์ที่พระพุทธเจ้าได้รับก็จะเป็นสิ่งเดียวกันที่พวกเราจะได้รับกันอย่างแน่นอนก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาฝนฟ้าก็หยุดพอดีจะได้มีช่วงที่จะได้กลับบ้านกันได้ไม่งั้นเดี๋ยวฝนตกต่อแล้วเดี๋ยว เราต้องนั่งพูดถึงคืนนี้ข อ, ข อ, นอ่าอการพุโทโธเนี่ยนะฮนะอว่าคนทั่วไป อ, อะไรเนี่ยว่าการสั่งให้พุโทโธเดินพุโทโธไปเรื่อยเจอต้นไม้ก็ไม่หลบอะไรอย่างเงี้ยนีะไี้อันนั้นอันนั้ น, น, น, นพุทโธ ไ, ไม่ใช่อันนั้นพุโทโธหลับ<ส>ต้องพุโทโธตื่นพุทโธตื่นก็ต้องดูไปด้วยว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ที่แพ่พุทโธเพื่อหยุดความคิดเท่านั้นเอง แต่เวลาเราทํำลายใจเราก็ต้องดูสิ่งที่เราทํา<ม>ใช่ใชเวลาขับรถก็ไม่ใช่พุทธโธแล้ไม่สนใจรถสวนมารถไปมันก็มันก็พลิกความตายตที่ให้พุดธโธเพื่อไม่ให้ไปคิดเรื่องอดีตอนาคตให้อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่ตอนนี้กํลาลังเดินก็ได้อยู่กับการเดินถ้าเราเดินไปแล้วเราคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้บางทีเดี๋ยวก็เดินชนต้นไม้ได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าผมเนี่ยผม ผ ม, ผมจะไปกินไอ้ไอ้ชาเขียวใส่ไอ้ไ อ, อะไรกเรียกชาเขียวใส่โนแดงเนี้ยหวยละร้อยเก้าสิบผมกมาเอกถ้าเราจ่ายร้อยเก้าสิบได้ได้กินไปเราเอาสตาง190ังร้อเก้าสิบนี่ไปซื้อข้าวได้ถุงหนึ่งนั่นแหละ อ, อ, อย่างนี้เรียกว่ า, าอย่างนี้เรียกว่าปัญญาฉลาดรู้จักใช้เงินให้ถูกกับ ความจำเป็นอะไรมันจำเป็นมากอ่ใช่อันนี้ก็เกี่ยวกับผู้โพด้วยหรือเปล่าไม่อันนี้เป็นเรื่องของปัญญาลนะเหตุผลเกี่ญญยวกันปัญญาปัญญาก็คือ <Linked. S 2> ไม่ควรที่จะเสียเวลากับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเราเช่นเอาเงินไปซื้อบุหรี่มาสูบซื้อสุรามาดื่มอย่างเงี้ยถ้าคนมีปัญญาจะไม่ทำเพราะว่าไปเอายาพิษมาใส่ตัว แต่คนโง่จะคิดว่าเอาความสุขมาใส่ตัวสูบุหรี่แล้วมีความสุขดื่มตัวลาแล้วมีความสุขแต่เป็นความสุขเดียวเดียวชั่วขณะที่ได้ดื่มได้สูบแล้วก็มีโครคภัยไข้เจ็บตามมาเสียเงินเสียทองเสียสุขภาพแล้วก็เสียชีวิตก่อนวัยอันควรนี่คือคนโง่ไม่ได้คิดด้วยปัญญาถ้าคนมีปัญญาแล้วจะไม่แตะของเหล่านี้แต่นี่เป็นปัญญาระดับทางโลก ระดับทางสูงกว่านี้ก็คือปัญญาทางธรรมก็คือความอยากทุกรูปแบบนี้เป็นเป็นเป็นพิษเป็นภัยทั้งหมดฉันอยากจะดูหนังฟังเพลงอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยากจะล่ำอยากจะรวยของพวกนี้เป็นโทษกับจิตใจทั้งนั้นเพราะจะสร้างกองทุกข์ขึ้นมาให้กับใจเพราะจะต้องดูแลรักษาสิ่งที่ได้มา แล้วก็ต้องมาเสียใจเวลาที่มันจากเราไปแล้วก็ได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พอถ้าไม่พอแล้วต่อต่อให้หาได้กี่ล้านเท่าก็ไม่พออยู่ดีก็จะไปไม่ถึงพระนิพพานไปผิดทางทางของมรรคนิพพานก็คือทางตรงกันข้ามกับความอยากต้องไม่อยากได้อะไรถึงจะไปถึงนิพพานได้ถ้ายังอยากได้อยู่ก็บวชไม่ได้ อันนี้เป็นปัญญาขั้นสูงคนที่มีปัญญาขั้นนี้ก็จะออกบวชได้พ อ, อ, อบวชได้ก็จะมีเวลาพุโทโธได้ทำใจให้สงบได้แล้วก็จะเห็นความจริงเห็นทุกข์ที่เกิดจากความอยากแล้วก็จะหยุดความอยากได้พอหยุดความอยากได้หมดก็ถึงพันิยปานถึงเมืองพอเมืองอิบ ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเพราะของต่างๆในโลกนี้เป็นยาพิษทั้งนั้นไม่ใช่ขนมหวานแต่ตอนนี้พวกเรายังหลงคิดว่าเป็นขนมหวานอยู่ยังมีความสุขกับสิ่งต่างๆในโลกนี้แต่เวลามันแผงได้ตอกมานี่น้ําตาตกในบางทีถึงกับกระโดดตึกตายกันก็เพราะเวลาของพวกนี้มันแผงฤทธิเวลามันเสื่อมจากเราไปเราไม่คิดถึงตอนนั้นกัน เข้าใจไหมคุณชายช อ, อ่นะคุณชายนี่เป็นเจ็์ก้นกติรุ่นแรกของครูบาอาจารย์หลายรูกตั้งแต่หลวงปู่ฟั่นมาเนี่ยตั้งแต่สองพันห้าร้อยสิบกว่านะเขา้าเขา้เขาเข้าว่างศูน8แปเลยโอ้โหเข้าก่อนเราอีกเราบวชหนึ่งแปดเราเจอธรรมะในะปีสองพันห้าร้อยสิบหกปลายปี ได้อ่าหนังสือทำมาปลายปีสองพันห้าร้ยสิบหกพออ่านแล้วก็ติดใจหาหนังสือมาอ่านนี่จนได้เจอวิธีปฏิบัตินั่งสมาธิในสติปัฏฐานสิ่ก็เลยลองพอลองปฏิบัติ ด, ดูได้ความสงบก็เลยเลาออกจากงานปลายปีหนึ่งหกแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะปฏิบัติทั้งปีหนึ่งเจ็ดนี้จะลองปฏิบัติมันอย่างเดียวดูเชื่อว่ามันจะได้มากได้น้อยก็ปฏิบัติได้หนึ่งปีก็ มีความเจริญก้าวหน้ามากจนพร้อมที่จะบวชได้ก็เลยไปขอสมเด็จพระยานสังวรบวชให้บวชในปี2518ต้นปีวันที่19กุมภาพันธ์แล้วก็อยู่วัดบวรประมาณเดือนครึ่งต้นเดือนเมษาก็ขออนุญาตไปอยู่กับหลวงตาไปอยู่วัดป่าบ้านตาต้นเดือนเมษาไปก่อนวันจักรีทาจำได้ไปถึงที่นั่นวันสองวันก็เป็นวันจักรี2518 ก็ได้อยู่กับน้องตาเก้าพรรษาด้วยกันอยู่ถึงปลายปีสองพัน hmm. ห้ารอยี่สิบเจ็ดก็พอดีคุณพ่อไม่สบายก็ขอลากลับมาอยู่ใกล้คุณพ่อ mm hmm. แล้วก็ไม่ได้กลับไปเลย mm hmm. แต่น้องตาช่วงนั้นก็ท่านก็มาอยู่แถวนี้พอดีก็ได้กราบท่านอยู่เรื่อยๆ mm hmm. ท่านมาพักอยู่ที่วัดสวนสวนของวัดช่องลม mm hmm. ที่ของพระครูบัวเกตท่านสร้างไว้ กินกายก็มาสร้างกุฏิมาสร้างศาลาถวายหลวงตาช่วงนั้นหลังจากนั้นหลวงตาท่านก็ไปสวนแสงธรรมพอไปสวนแสงธรรมท่านก็เลยไม่ค่อยได้แวะมาพักที่นี่แต่บางทีท่านก็ผ่านมาท่านก็จะแวะขึ้นมาบนนี้ทุกครั้งที่ท่านมานี้ท่านไม่เคยบอกล่วงหน้าก่อนมาแบบจู่โจมเตรียมตัวรับไม่ทัน แต่มาที่ไลก็ไม่เคยไม่เจอสักทีเจอทุกครั้งเพราะเราก็ไม่รู้จะไปไหนนะคนจนตอกแต่สมัยก่อนนี้ผมขญาตเล่าให้ญาติโยมแต่ก่ อ, อ, กอนนี้ท่าอาจารย์อยู่กรุหลงสาผมผมก็เจอกระทะอาจารย์อออาจารย์ไม่เคยพูดอะไรเลยนะะัไอเองมามาเตี่เตี้ยอันนึงนั่ง น, นิ่งมันมีภาษาอะไรนะที่มือ น, น, น, นั่ ง, งมาเตี้นั่งจารย์ก็นั่ง จานโกโก้เงี้ยจานโกโก้ผมเดินถ่ายบปถ่ายมาจางก็ไม่เคยพูดก็มีวันที่จางก็เรียกผมไปถามเรื่องอะไรไม่ได้เลยได้คุยกันดูกันหลายปีไม่เคยคุยไม่ได้หลวงตาคอยกำหลับหลวงตาชอบเดินมาเช็คอยู่เรื่อยท่านไม่ให้คุยกันให้รีบฉันเสร็จแล้วก็ให้ยยกกันกลับไปเพราะคุยกันแล้วเดี๋ยวจิตมันฟุ้งฟุ้งใส่ดีไม่ดีก็ทะเลาะกันเถียงกันเอ เละหลวงตาจะคอยเดินมาตรวจอยู่เรื่อยๆเดินมาครั้งแรกเห็นหน้าไม่เป็นไรแต่พอหมอเดินมารอบสองเห็นอย่างนี้ต้องรีบกระโจนวะถ <c oughs> ้าไม่งั้นเดี๋ยวโดน <c oughs> ท่านอยากจะให้เข้าทางจงกรมเดินจงกรมนั่งสมาธิวันหลวงตาสมัยก่อนนี่ไม่มีใครกล้าเข้ากันกลัวกันเพราะท่านดุมาก จะเข้าได้ก็ช่วงเนี่ยทอดช่วงทอดกระถินนี่ท่านก็นจะมีพวกุณชายเหมารถรถบัสกันไปแต่ไปเดี๋ยวเดียวพอถวายของเสร็จรอบพรเสร็จก็กลับกันนะไม่กล้าไปค้างกันอานะจารย์ผมยังขอส้องขออนุญาตุกสงตราน ะ, ะผมพูดกับเพื่อนเขาเขามามาหา ท, าาาท่านอาจารย์เขาบอก่าอาจารย์แข็เก่งนะผมบอก เป็นคาพูดอบอกแต่ก่อนที่ท่นไม่พูดหรอกเจอหน้าใครก็ไม่พูดนั่งเนี่ยแต่จนสี่สามโมงกว่าเลยก็นั่งฉันโกโก้หนังฉันไม่พูดกับใครไม่บอกพระไวยโยมแี่ก่อนบอกว่าที่โอโอท่านพูดแล้วเอี่ยงนี้มันจําเป็นถ้าไม่พูดก็ไม่มีใครพูดคนอื่นพูดแทนท่านไม่ได้ถึงเวลาก็เลยต้องพูด แต่ตอนเล่อตอนตอนพูดใหม่ๆก็รู้สึกประหมา่าเหมือนกันนะตอนที่เล่าผักเทศใหม่ๆแต่พอพูดไปพูดไปก็เลยรู้ว่าพูดได้ก็เลยปล่อยเปนไปไปตามธรรมชาติเมื่อก่อนแต่ก่อนจะพูดต้องท่องไว้ก่อนนะ ว, วันนี้จะพูดอะไรบ้างแต่ตอนหลังนี่ไม่ต้องท่องแล้วไม่ต้องเตรียมตัวปล่อยมันไหลไปเหมือนกับน้ำเนี่ยพอขายก๊อกแล้วมันก็จะไหลลงไปเอนกาของหมาหรอยาหรือปูน ขุนกุงเทพนะ้ยตู่กลัวขุนกรุงเทพที่สุดเลยพอตั้งน้ำโมเนีย่ย <c oughs> เสียงมันจะสั่นน้ำโม่ท่านบอกกลัวขุนกรุงเทพลากเกิน <c oughs> แล้วก็ท่านก็ <c oughs> กลับไปกลไปถามท่นานจะกุณอะไรผมจำชื่อไม่ได้ที่ที่ที่แววัดที่รงตั้งท่านจะัสินวบรมนิวาท่านถาม่านที่วัดบรมนวา ทำคือเนี่ยท่นท่านานจะกลันิดนึาคุณ จ, จะไม่กลัวของกรุงเทพ ม, มันสิงห้าไม่ครบผงล่าผมปลาคนกรงเทลกลัวสิงห้าไม่คบเ น, นืองทีเป็นผ้าป่านี่กลัวคนในเมืองไงเห็นคนในเมืองเป็นคนมีการศึกษาสูง มีระดับปริญญาตีโทเองก็เลยกลัวว่าเขาจะจะมีความรู้มากกว่าพูดไปแล้วเดี๋ยวจะถูกเขาต้อนกลับมาแต่พวกนี้เขาไม่มีความรู้ทางธรรมะกันพอพูดธรรมะนี่เขาไม่สามารถที่จะมาอามาต้อนพระได้เลย อ, อ, อย่างที่มินิทานที่เคยได้ยินยว่าเอเค มีพวกวิศวกรมีพวกวิศวกรพวกหนึ่งเขามีเขาอยากจะไปทดสอบภูมิปัญญาของหลวงปู่น้องตาลูนหนึ่งที่ได้ยินว่าท่านมีปัญญามากอยากจะรู้ว่าท่านมีปัญญาจริงหรือเปล่าเขาก็เลยไปถามหลวงปู่ท่านนี้ว่าหลวงปู่อะไรทำให้เครื่องบินมันบินหลวงปู่ว่าจิตเว้ยแครก็พูดแค่นี้พูดคำเดียวยอมรับกันหมดเลยจิตนี่แหละ ถ้าไม่มีจิตแล้วเครื่องบินนี้บินไม่ได้ถ้าไม่มีจิตนี้เครื่องบินนี้ไม่มีใครสร้างสร้างไม่ได้ <llamado> จิตนี่แหละเป็นตัวสร้างเครื่องบินจิตนี่แหละเป็นผู้ขับเครื่องบินนี่แหละภูมิปัญญาของพระพุทธศาสนาเห็นในสิ่งที่พวกเรามองไม่เห็นกันพวกเราบีจิตใจกันทุกคนแต่มองไม่เห็นจิตใจของเรากันเราไม่รู้ว่าจิตใจของเรานี่แหละเป็นตัวที่พาให้เรา เกิดตายเกิดตายพาให้เรามาอยู่ตรงนี้กันทุกวันทุกเวลาตัวจิตนี้ตัวเดียวเท่านั้นแหละเพราะเราไม่เคยเข้าไปหามันไม่เคยเข้าไปดูมันเราถูกกิเลสหลอกให้เราออกไปหาความรู้อย่างอื่นแต่ความรู้อย่างอื่นนี้มันไม่ทำให้เราฉลาดมันทำให้เราโงา่ทำให้เราไปเกิดความทุกข์กับสิ่งต่าง แต่ถ้าเราเห็นจิตแล้วเราจะกลับเข้ามาหาตัวของเรากลับเข้ามาหาของดีที่มีอยู่ในจิตก็คือความสงบความสงบนี่แหละเป็นของที่วิเศษที่สุดวิเศษกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าลดแห่งธรรม ช, นะชนะลดชนะลถทั้งฝูงลดแห่งธรรมก็คือความสงบนี่เลยคาก็พูดนนัตติสันติบาังสุ ข, ขงัง ไม่มีความสุขอนใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตเราต้องกลับมาหาจิตของเราให้ใหเจอหาความสงบให้เจอเครื่องมือที่จะทำให้เราได้เจอความสงบก็พุทโธนีอ่อย่าทิ้งพุทโธนะพุทโธนี่เป็นเหมือนเพชรนิมจินดาอย่าเป็นเหมือนกับไก่ได้พลอย พอไปเจอไก่พอพอไปเจอเพชรพลอยก็เขียดทิ้งหมดจะเอาแต่ไส่เอาแต่ไส้เดือนเอาแต่ตัวหนอนอย่างเดียวพวกเราตอนนี้ไม่เอาพุโทโธไม่เอาจะเอาแสงสีเสียงกันจะดูหนังฟังเพลงดูละครกันจะเที่ยวตามสถานที่ต่างๆกันพอให้พุโทโธพุทโธนี่หลับเลยพุโทโธได้สองสามทีหลับ นี่เลยก็เรียกไก่ได้ลอยเอาแล้วนะไปได้แล้ว <Bye. S 1> โมงกว่าแล้ว <Bye. S 1> เดี๋ยวฝนตกทีขอให้จเจริญในธรรยิง่งยิ่งขึ้นไปทุกคนนะ